พระภิกษุรูปนี้เป็นพระที่ดีจริงๆจึงนําจีวรที่พระอุปัชฌายะมอบให้ไปแจกภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะด้วยกันจนหมดฟิน้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอา น, นุนที่จะให้เป็นเชนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีประภาคกราบบูว่าพระเจ้าข่าอคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีอะไรหรือภิกษุ เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําเพราะเห็นหน้าหรืออคติหามีแกอ่นอนุนไม่แต่ที่อนุนทำเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของสิทธุนั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม่น้อยอันบัณฑิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทนในโ อ, อกาสอันควร พระอนุนเป็นผู้ที่มีจิตเมตตากรุณาทนเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ได้คอยเป็นทุระช่วยเหลือเท่าที่สามารถไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครดังเช่นเรื่องเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นต้นพระนางทรงเลื่อมใสและรักใครในพระผู้มีพระภาคยิ่งนักคราวหนึ่งทรงปราลาบว่าสายะวงอ์อื่นๆได้ถวายสิ่งของแด่พระผู้มีพระภาคบ้าง ได้ออกบวชตามบ้างแต่ส่วนพระนางเองนั้นยังไม่ได้กระทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อพระพุทธองค์เลยจึงตัดสินพระไทยจะถวายจีวรแด่พระผู้มีพระภาคพระนางเริ่มตั้งแต่ปั่นฝ้ายเองทอเองตัดเองและเย็บเองย้อมเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปถวายพระาศาสดาข้าแต่พระผู้มีพระภาค หม่อมฉันทําชีวรผืนนี้ด้วยมือของตนเองโดยตลอดตั้งแต่ต้นขอพระผู้มีพระภาคทรงรับเพื่ออนุเคราะห์หม่อมฉันด้วยเถิดอย่าเลยอย่าถวายท ถ, ถาคตเลยขอพระนางได้นำไปถวายแก่พิสูจน์รูปอื่นตถาคตมีชีวรใช้อยู่แล้วพระศาสดาทรงปฏิเสธอย่างอ่อนโยนพระนางอ้อนวอนถึงสามครั้งแต่พระศาสดา ก, ก็หาทรงรับไม่ คงยืนยันอย่างเดิมพระนางถึงกับโทรมนัดเป็นอย่างยิ่งไม่อาจทรงกลั่นอสุชนไว้ได้ทรงน้อยพระไทยที่อุตส่าห์ตั้งพระไทยทำเองโดยตลอดยิ่งระลึกถึงความหลังครั้งอดีต ท, ที่เคยอบอุ้มเลี้ยงดูพระพุทธองค์มาตั้งแต่ยาววัยด้วยแล้วก็ยิ่งน้อยพระไทยหนักขึ้นพระนางทรงกันแสงนาพีวรผืนนั้นไปสู่สานักของพระสารีบุตรเล่าเรื่องให้ท่านทราบและกล่าวว่า ขอพระคุณเจ้าได้โปรดรับจีวรผืนนี้ไว้ด้วยเถิดเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าพระสารีบุตรทราบเรื่องแล้วก็หารับใหม่แนะนําให้นําไปถวายพระพิสุรูปอื่นและปรากฏว่าไม่มีใครรับจีวรผืนนั้นเลยพระนางยิ่งเสียพระไทยเป็นพันทวีในที่สุดพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วให้พระนางถวายแก่พิสุบทหม่รูปหนึ่ง แล้วรงปลอบให้พระนางคลายจากความเศร้าโศกและให้ร่าเริงบันเทิงด้วยบุญญากิริยาวัตถุอันยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าดูก่อนโกตมีผ้าที่ท่านถวายแล้วนี้ได้ชื่อว่าถวายสงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลานิสงมีมากกว่าการถวายเป็นส่วนบุคคลแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือกว่าการถวายแก่พระพุทธเจ้าเองโคตมีเอยการที่สถาคตไปรับชีวรของท่านนั้น ไม่ใช่เพราะใจไม้ไช่ระกรรมอะไรแต่เพราะมุ่งประโยชน์อันสูงสุดที่จะพึงมีแก่ท่านเองปาติปุคะลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานหามีไหมอานอนท์เอย่ยพระพุทธองค์ทรงผินพระพักตร์มาตรัสแก่พระอานอนท์ข้อที่เธออ้อนวอนเราเพื่อรับจีวรของพระนางโกจะมีโดยอ้างว่าพระนางมีอุปการะมากแก่เราเคยเลี้ยงดูเคยให้น้ํานมและถือว่า เป็นผู้มีอุปการะมากนั้นเราก็เห็นอยู่แต่เพราะเห็นอย่างนั้นนั่นเองเราจึงต้องการให้พระนางได้รับประโยชน์อันไพศาลโดยการนําจีวรถวายแก่สงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอานอนท์เอย่ยการที่บุคคลได้อาศัยผู้ใดแล้วถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แต่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นการที่จะตอบแทนผู้นั้นมิใช่เป็นสิ่งที่ทําได้โดยง่ายเลย การทำตอบแทนด้วยการถวายข้าวน้ำและเครื่องใช้ต่างๆและการครบราบไหว้เป็นต้นยังเป็นสิ่งเล็กน้อยคือไม่สามารถตอบแทนคุณความดีของผู้นั้นได้โดยเหตุเพียงเท่านี้ ทานมีอยู่14ชนิดคือ 1. ของที่ถวายแก่พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ของที่ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. ของที่ถวายแก่พระอาหารหันตสาวก 4. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอรหันตผล 5. ของที่ถวายแก่พระอน า, าคามี6 ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอนาคามิผล 7. ของที่ถวายแก่พระสกทาคามี Kate, <Heh. S 1> 8. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุสกทาคามิผล 9. ของที่ถวายแก่พระโสดาบัน 10. ของที่ถวายแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรุโสดาปฏิผล11 ของที่ให้แก่คนนอกพุทธศาสนาซึ่งปราศจากกามราคะ12ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้ทุศีล13ของที่ให้แก่ปุถุชนผู้มีศีลและ14ของที่ให้แก่สัตว์ดิเรชานอานนท์ของที่ให้แม้แก่สัตว์ดิเรชานยังมีผลมากขุนภัศาลอานนท์คราวหนึ่งเราเคยกล่าวแก่ปริพาชกผู้หนึ่งว่า บุคคลเทน้ําล้างภาชนะลงในดินด้วยตั้งใจว่าขอให้สัตว์ในดินได้อาศัยอาหารที่ติดน้ำล้างภาชนะได้ดื่มกินเถิดแม้เพียงเท่านี้เรายังกล่าวว่าผู้กระทําได้ประสบบุญแล้วเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปใหญ่ในทานที่บุคคลให้แล้วแก่ปุถุชนผู้มีศีลหรือผู้ทุศีลจนถึงแก่พระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีผลมากเล่าแต่ทั้งหมดนี้ เป็นปาติปุกลิกทานคือทานที่ให้เจาะจงบุคคลเรากล่าวว่าปาติปุกลิกทาน ใ, นใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานไม่ได้เลยอ น, อนุเอยต่อไปเบื้องหน้าจะมีแต่โคลดตละผูสงคือสงผู้ทุศีนมีธรรมสามสักแต่ว่ามีกาสาวพัดผันคอการให้ทานแกะพะภิกษุผู้ทุศีนเห็นป่า น, นั้นอุทิศสงก็ยังเป็นทานที่มีผลมาก มีอนิสงส์ภัยสารประมาณไม่ได้แล้วทรงหันไปกรัดแก่พระนางผู้มีจีวร อ, อันจักถวายว่าดูก่อนโคตมีเพราะฉะนั้นการที่ท่านถวายจีวรแก่สงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในครั้งนี้จึงจัดเป็นโชคลาภอันประเสริฐยิ่งแล้ว ชาบดีโคตมีทรงเลื่อมใสศรัท ธ, ธาปรารถนาจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเคยทูลอ้อนวอนขออนุญาตบวชเป็นภิษุนีตั้งแต่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะนิคโครทารามกรุงกบิลพัทแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตทรงอ้งอนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธองค์ก็หาทรงอนุญาตใหม่จนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากนครกรบิลพัท ไปประทับณกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาค า, าราสาลาป่ามหาวันพระนางโคตมีพร้อมด้วยสตรีสกรากยะวงศ์หลายพระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดียวที่จะบวชเป็นภิกษณุณีจึงพร้อมกันโปรงพระเกสาลุงป h a r มกาสาย ะ, สะเสด็จออกจากกรุงกระบีลพั์ด้วยพระบาทเปล่าไปสู่นครเวสาลีที่ประทับของพระาศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทแต่ พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตตามเคยพระนางเสียพระไทยและขมขืนยิ่งนักมาประทับยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูป่ามหาวันพระอนนมาพบพระนางเข้าทราบเรื่องโดยตลอดแล้วมีใจกรุณาปรารถนาจะช่วยเหลือจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลอ้อนวอนเพื่อประธานอุปสมบทแก่พระนางโคตมีพระองค์ผู้เจริญพระนางโคตมีพระนานางของพระองค์ บัตรนี้ปรงพระเกษาแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะมีพระวรากายขมุกขมอมเพราะเสด็จโดยพระบาทจากนครกรบิลพัดพระวรากายแปดเปื้อนไปด้วยทุรีแต่ก็หาคำนึงถึงความลำบากเรื่องนี้ไม่มุ่งพระไทยแต่ในเรื่องบรรพชาอุปสมบทพระนางเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพระองค์เป็นผู้ประธานขีรธาราแทนพระมารดาขอพระองค์ได้ทรงอนุเคราะห์พระนางเถิด ขอให้พระนางได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีตามพระประสงค์เถิดพระผู้มีพระภาคประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานนท์เรื่องที่พระนางมีอุปการะมากต่อนั้นเราสํานึกอยู่แต่เธอต้องไม่ลืมว่าเราเป็นธรรมราชาต้องรับผิดชอบในสังคมมนทนจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะพนกับเรื่องความเสื่อมความเจริญส่วนรวมก็ต้องตรองให้ดีก่อนอานนท์ ถ้าเปรียบสังขมนทนของเราเป็นนาข้าวการที่ยอมให้สตรีมาบวชในธรรมวินายนี้ก็เหมือนปล่อยตัวเพลี้ยตัวมแมลงให้ลงในนาข้าวนั้นรังแต่จะทำความพินาศวอดวายให้แก่นาข้าวอย่างไม่ต้องสงสัยอานอนท์เราเคยพูดเสมอไม่ใช่หรือว่าสตรีที่บุรุษเอาใจไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นมนทินอย่างยิ่งของพรหมจันร์อานอนท์เอ่ยาศาสนาของเราจะพึงอยู่ได้1000ปี แต่หากมีสตรีมาบวช ด, ด้วยจะอยู่ได้500ปีเท่านั้นหรือสมมุติว่าศาสนาของเราจะพึงดำรงอยู่ได้500ปีเมื่อมีสตรีมาบวชในธรรมวินัยด้วยก็จะทอนลงเหลือเพียงครึ่งเดียวคือ250ปีอยาสยาเลย อ, อ น, นุ์เธอจะพอใจขวนขวายให้มีภิกษุณีขึ้นในศาสนาเลยจะเป็นเรื่องลำบากในภายหลัง กรุณาเตือนอยู่เสมอกระทาความพยายามต่อได้ทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญถ้าสตรีได้บวชในธรรมวินัยของพระองค์นางจะสามารถหรือไม่ที่จะบรรลุ ค, คุณวิเศษมีโสดาปิตพุลเป็นต้นอาจทีเดียวอ น, นุนนางสามารถทำให้แจ้งคุณวิเศษมีโสดาปิตพุนเป็นต้นข้าแต่พระผู้มีพระภาค ถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ได้โปรดประทานอนุญาตให้พระนางโคตมีบวชเถิดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าอานนท์ถ้าพระนางโคตมีสามารถรับครุธรรม8ประการได้ก็เป็นอันว่าพระนางได้บรรพชาอุปสมบทสมปรารถนาครุธรรมแปประการนั้นมีดังนี้ 1. ภิกษุณีแม้บวชแล้วร้อยปี เขต้องทําการอภิวาทการลุกขึ้นตอนรับการอัญเชลีกรรมและสามีจิกรรมแก่ภิกษุแม้ผู้บวชแล้วในวันนั้น 2. อภิกษุณีต้องไม่จําำรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปรับโอวาทจากภิกษุทุกเกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีจำํำรรษาแล้วต้องประวารณา คือเปิดโอกาสให้ตักเตือนสั่งสอนจากสำนักทั้งสองคือทั้งจากภิกษุณีสงฆ์และจากภิกษุสงฆ์ 5. ้ภิกษุณีต้องอบัตหนักเช่นอบัตสังฆาทิเศษต้องประพฤติมานัดตลอด15วันในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งในภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 6. นางสิกขมาลาคือสตรีที่เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลหข้อคือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6 ให้ครบบริบูรณ์ตลอดสองปีขาดไม่ได้ถ้าขาดลงจะต้องตั้งต้นใหม่เมื่อทำได้ครบแล้วต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่าย 7. พภิกษุณีต้องไม่ด่าว่าเปรียบเปลอยหรือบริาพาดภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ 8. ดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวดูก่อนอ น, นุ์ นี่และครุธรรม8ประการซึ่งภิกษุณีจะต้องสการะเคารพนับถือบูชาตลอดชีวิตจะล่วงละเมิดไม่ได้พระอานุนจำครุธรรมแปดประการได้แล้วทูลลาพระผู้มีพระภาคไปเฝ้าพระนางโคตมีเล่าบอกเงื่อนไขแปประการตามพระพุทธดำหลัดแล้วกล่าวว่าโคตมีท่านพอจะรับครุธรรม8ปประการนี้ได้อยู่หรือถ้าท่านรับได้ อันนี้แหละเป็นบนรรพชาอุปสมบทของท่านเพราะผู้มีประภาคตรัสมาอย่างนี้พระนางโคจะมีปลื้มพระไทยยิ่งนักพระนางเป็นเหมือนสุภาพสตรีซึ่งอาบน้ำชำระกายอย่างดีแล้วนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่ที่มีราคาแพงประพรมน้ำหอมเรียบร้อยแล้วมีพวงมาลัยชื่นทำด้วยดอกไม้หอมลงสวมศีรษะสตรีนั้นหรือจะไม่พอใจชั้นใดก็ฉันนั้น พระนางทรงรับครุธรรม8ประการ ท, าทันทีและปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริภูร์ตลอดชีวิ ต, ตทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ประสงค์ให้สตรีได้บวชเป็นภิกษุณีเหตุผลแจมแจ้งอยู่แล้วในพระดำรัสของพระพุทธองค์น่าจะทรงเกรงความยุ่งเหยิงอันจะเกิดขึ้นในภายหลังในครุธรรม8ก็มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งบัญญัติว่าภิกษุณีจะต้องอยู่อาวาสเดียวกับพระสงฆ์ แยกสำนักไปตั้งเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ได้แต่คงจะให้แบ่งเขตกันไม่ใช่ปะปนกันเรื่องที่ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุณีแยกไปตั้งสำนักต่างหากนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือภิกษุณีคุ้มครองรักษาตนเองไม่ได้พวกอันตภานอาจจะบุ่มบ่ามเข้าไปก่อกวนให้ได้รับความเดือดร้อนคราวนี้มาถึงปัญหาที่ว่า ทีแรกดูเหมือนว่าจะเป็นความประสงค์ของพระพุทธองค์จริงๆที่จะไม่ยอมให้ภิกษุณีมีขึ้นในพระศาสนาแต่ว่าไมา่ยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอานนุ์หรืออย่างไรจึงยอมในภายหลังในเรื่องนี้กล่าวแก้กันว่าพระพุทธองค์จะยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอานนุ์ก็หาไม่ได้แต่พระองค์ต้องการให้เป็นเรื่องยากคือให้บวชได้โดยยากเพื่อภิกษุณีจะได้ถนอมสิ่งที่ตนได้มายากนั้น และต้องการพิสูจน์ความแน่วแน่เด็ดเดียวของพระนางโคตมีว่าจะจริงสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พระพุทธองค์น่าจะไม่ประสงค์ให้พิสุณีมีขึ้นในศาสนาจริงๆที่ยอมนั้นยอมอย่างขัดไม่ได้และจะเห็นว่าเมื่อยอมโดยขัดไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงวางระเบียบไว้อย่างถี่ยิบเพื่อบีบคั้นให้ภิษุณีหมดไปโดยเร็วสิกขาบทที่มาในพระปาติโมก ข, ของพระสงฆ์ มีเพียงร้อหข้อหรือที่รู้กันทั่วๆไปว่าพระสงฆ์มีศีลสองิบเจ็ดข้อแต่ภิกษุณีมีถึง311ข้ออาบัดเบาๆของพระแต่เมื่อภิกษุณีทําเข้ากลายเป็นเรื่องหนักแปลว่าพระพุทธองค์ประสงค์ให้ภิกษุณีหมดไปโดยเร็วและความประสงค์ของพระองค์ก็สมฤทธิผลปรากฏว่าในสมัยที่พระองค์นิพพานนั้นไม่ได้มีเรื่องที่กล่าวถึงภิกษุณีเลย สันนิษฐานกันว่าภิกษุณีอาจจะหมดแล้วก็ได้มาโผลขึ้นอย่างไรในสมัยพระเจ้าอาโศกอีกไม่ทราบข้อที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือประวัตตินีหมายถึงอุปชายะผู้ให้ภิกษุณีบวชรูปหนึ่งบวชภิกษุณีได้หนึ่งรูปต่อนหนึ่งปีและจะต้องเว้นไปหนึ่งปีจึงจะบวชได้รูปหนึ่งบางท่านให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การที่พระพุทธเจ้าไม่ประสงค์ให้ภิกษุณีบวชนั้นเพราะต้องการให้สตรีเป็นกองสเสบียงการบวชเหมือนการออกรบกองทัพถ้าไม่มีสเสบียงก็ไปไม่ไหวให้ผู้หญิงอยู่เป็นกองสเสบียงบำรุงศาสนาจักรซึ่งมีพระเป็นทหารและมีพระพุทธองค์เป็นพระธรรมราชาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ทรงยอมให้บวชก็เพราะมีพระกรุณาต่อสตรีไม่ต้องการให้สตรีต้องลำบาก การบวชเป็นการยากเป็นเรื่องต้องประชนภัยนาน า, นาประการผู้บวชอยู่ได้ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนอ่อนแอสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้ลาบากเรื่องที่มีศิกขาบทมากสาหรับภิกษุณีนั้นบางท่านให้เหตุผลว่าเพราะภิกษุณีเป็นลูกหญิงของพระพุทธเจ้าธรรมดาลูกหญิง พ่อต้องเป็นห่วงมากกว่าลูกชายและมีข้อห้ามมากกว่าจะปล่อยเมือนลูกชายไม่ได้ทางนี้ก็ได้ความหวังดีหวังความสุขความเฉริญนั่นเอง รุณาวันใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นแล้วพระอานน์ยังเป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนโยนอย่างยิ่งอีกด้วยความสุภาพอ่อนโยนและลักษณะอันน่ารักมีรูปงามผิวพรรณดีนี่เองได้เคยคล้องเอาดวงใจใ น, น้อยของสตรีผู้หนึ่งให้ลหลงไหลใฝ่ฝันโดยที่ท่านไม่ได้มีเจตนาเลยเรื่องเป็นดังนี้คราวหนึ่งท่านเดินทางจากที่ไกลมาสู่วัดเชตวัน อากาศซึ่งร้อนอบอ้าวในเวลาเที่ยงวันทำให้ท่านมีเหงื่อโทมกายและรู้สึกกระหายน้ำพอดีเดินมาใกล้บ่อน้ำแห่งหนึ่งเห็นนางทาสีกำลังตักน้ำท่านจึงกล่าวขึ้นว่าน้องหญิงอาตมาเดินทางมาจากที่ไกลรู้สึกกระหายน้ำทำไมเป็นการรบกวนอาตมาขอบินทบาดน้ำจากท่านเพื่อดื่มแก้กระหายด้วยเถิด นางทาสีได้ยินเสียงอนสุภาพอ่อนโยนจึงเงยหน้าขึ้นดูนางตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอยห่างออกจากท่านสองสามเก้าพลางกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าถวายน้ำแก่ท่านไม่ได้ดอกท่านไม่ควรดื่มน้ำที่มาจากมืออันต่ำช้าของข้าพเจ้าท่านเป็นวันนากษัตข้าพเจ้าเป็นเพียงนางทาสีอย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอาตมาไม่มีวันณะแล้ว อาตมาเป็นสมณะสักยะบุตรอาตมาไม่ได้เป็นขสัตไม่ได้เป็นพราหมยสยะสูตรหรือจันทานอย่างใดอย่างหนึ่งอาตมาเป็นมนุษย์เหมือนน้องหญิงนั่นแหละข้าพเจ้าเกรงแต่จะเป็นมนทินแก่พระคุณเจ้าและเป็นบาปแก่ข้าพเจ้าที่ถวายน้าการที่ท่านจะรับของจากมือของคนต่างวันนาและโดยเฉพาะวันนะที่ต่ำอย่างข้าพเจ้าด้วยแล้วข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ควาจริงข้าพเจ้าไม่ได้ห่วงน้ำดอกนางยังคงยืนกลางอยู่อย่างเดิมขณะพูดมีเสียงสั่นน้อยน้อยน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้มนทินย่อมมีแก่ผู้ประกอบความชั่วบาปย่อมมีแก่ผู้ไม่สุจริตการที่อัตมามาขอน้ําและน้องหญิงจะให้น้ํานั้นเป็นธรรมธรรมย่อมปลดเครื่องบาปและมนทินเหมือนน้าสะอาด ชำระสิ่งโสโครจนนั้นน้องหญิงบัญญัติของพราหมณ์เรื่องบาปและมนตินอันเกี่ยวเรื่องกับวันนั้นเป็นบัญญัติที่ไม่ยุติธรรมเป็นการแบ่งแยกมนุษย์ให้เหินห่างจากมนุษย์เรื่องนี้อาตมาไม่มีแล้วอาตมาเป็นสมณะสากยะบุตรสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีวันนาเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ําก็จงเทลงในบาสนี้เถิด นางรู้สึกจับใจในคำพูดของพระอ น, นุลครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของนางที่ได้ยินคำอันเรื่นหูจากชนซึ่งสมมติเรียกกันว่าชั้นสูงมืออันเรียวงามสั่นน้อยๆของนางค่อยๆประจงเทน้ำในหม้อลงในบาทของท่านอ น, นุลในขณะนั้นนางนั่งคุกเขา่าพระอ น, นุลยืนโน้มตัวลงรับน้ำจากนางแล้วดื่มด้วยความกระหาย นางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอนุนซึ่งกำลังดื่มน้ำด้วยความรู้สึกปีติซาบซ่านแล้วยิ้มอย่างเยียงอาย ได้เลาะจากพระอ น, นุลหน้าของท่านยิ่งแจ่มใส ย, ยิ่งขึ้นไม่ได้เดินน้ําระงับความกระหายแล้วพระคุณเจ้าเดิม อ, อีกหน่อยเถิดนางพูดพลางเอียงหม้อน้ําในท่าจะถวายพอแล้วน้องหญิงขอให้มีความสุขเถิดพระคุณเจ้าทําอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของพระคุณเจ้าพอเป็นมงคลแก่โสดและความรู้สึกของข้าพเจ้าบ้าง นางพูดแล้วก้มหน้าด้วยความขุนอายน้องหญิงไม่ไป็นไรดอกน้องหญิงเคยได้ยินชื่อพระอานนุ์อนุชาของพระพุทธเจ้าหรือเคยได้ยินพระขุนเจ้าเคยเห็นท่านไหมไม่เคยเลยพระขุนเจ้าข้าพเจ้าทํางานอยู่เฉพาะในบ้านและมาตักน้ําที่นี่ไม่มีโอกาสไปที่ใดเลยเวลานี้น้องหญิงกําลังสนท น, นากับพระอ น, นุนอยู่แล้ว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 เดินมุ่งหน้าสู่วัดเชตวันอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาเมื่อท่านเดินมาได้หน่อยหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังท่านเหลียวดูปรากฏว่าเป็นนางทาสีที่ถวายน้ํานั่นเองเดินตามมาท่านเข้าใจว่าบ้านของนางคงจะอยู่ทางเดียวกับที่ท่านเดินไปติวัดจึงไม่ได้สงสัยอะไรและเดินมาเรื่อยๆจนจะถึงซุ้มประตูไม่มีทางแยกไปที่อื่น นอกจากทางเข้าสู่วัดท่านเหลียวไม่เห็นนางทาสีเดินตามมาอย่างประชันชิดในตาก็จ้องมองดูท่านตลอดเวลาท่านหยุดอุูบครู่หนึ่งพอนางเข้ามาใกล้ท่านจึงกล่าวว่าน้องหญิงเธอจะไปไหนจะเข้าไปวัดเชตวันนี่แหละเธอจะเข้าไปทาไมไปหาพระคุณเจ้าสนทนากับพระคุณเจ้าอย่าเลยน้องหญิงเธอไม่ควรเข้าไป ที่นี่เป็นที่อาศัยของพระพิสุสงเธอไม่มีธุระอะไรอย่าเข้าไปเลยเธอกลับบ้านเสถเินข้าพเจ้าไม่กลับข้าพเจ้ารักท่านข้าพเจ้าไม่เคยพบใครดีเท่าพระคุณเจ้าเลยน้องหญิงพระาศาสดาตรัสว่าปกติของคนเรานั้นอาจรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องมียยนิโสมนัสิการและต้องมีปัญญาจึงจะรู้ว่า คนนั้นคนนี้มีปกติอย่างไรคือดีหรือไม่ดีที่น้องหญิงพบเราเพียงครู่เดียวจะตัดสินได้อย่างไรว่าอาตมาเป็นคนดีอาตมาอาจจะเอาชื่อท่านอ น, นุมาหลอกเธอก็ได้อย่าเข้ามาเลยกลับไปเสถิดเพราะคุณเจ้าจะเป็นใครก็ช่างเถิดนางของพราหม์ต่อไปมือหนึ่งถือหม้อน้าซึ่งบัดนี้ได้เทน้ำบ อ, อกหมดแล้วข้าพเจ้ารักท่าน ซึ่งข้าพเจ้าสนทนาอยู่ด้วยเวลานี้น้องหญิงความรักเรื่องร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องดีพระศาสดาตรัสว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดความทุกโศกและทรมานใจเธอชอบความทุกข์หรือข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์เลยพระคุณเจ้าและความทุกข์นั้นใครๆก็ไม่ชอบแต่ข้าพเจ้าชอบมีความรักโดยเฉพาะรักพระคุณเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรน้องหญิง แนเมื่อทำเหตุก็ต้องได้รับผลการที่จะให้มีรักและไม่ให้มีทุกข์ติดตามมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยแต่ข้าพเจ้ามีความสุขไม่ได้เห็นพระคุณเจ้าได้สนทนากับพระคุณเจ้าผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้าถ้าไม่ได้เห็นอัตมาไม่ได้สนทนากับอัตมาน้องหญิงจะมีความทุกข์ไหมแน่นอนทีเดียวข้าพเจ้าจะต้องมีความทุกข์อย่างมาก นั่นแปลว่าความรักเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมไม่ใช่พระคุณเจ้านั่นเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักต่างหากเล่าไม่ใช่เพราะความรักถ้าไม่มีรักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักจะมีได้อย่างไรมีไม่ได้เลยพระคุณเจ้านี่แปลว่าน้องหญิงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าความรักเป็นสาเหตุชั้นหนึ่งที่ทําให้เกิดทุกข์พระอ น, นุลพูดจบ แล้วก็ยิ้มน้อยๆโดยรู้สึกว่ามีชัยแต่ใครเล่าจะเอาชนะความปรารถนาของหญิงได้ง่ายๆลงเธอจะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้อย่างใจเพราะธรรมชาติของเธอนั้นมักจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถ้าผู้หญิงคนใดได้ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาชีวิตหรือในการดําเนินชีวิตมากกว่าอารมณ์หญิงคนนั้นจะเป็นสตรีที่ดีที่สุดและน่ารักที่สุดเหตุผลที่กล่าวนี้ วมชใช่มากมายอะไรเลยเพียงไม่ถึงกึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้แม้นางจะมองเห็นเ ห, นเหตุผลของพระอานน์ว่าคมคายอยู่แต่นางก็หาย่อไหมนางกล่าวต่อไปว่าพระคุณเจ้าความรักที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังที่พระคุณเจ้ากล่าวมานั้นเห็นจะเป็นความรักของคนที่รักไม่เป็นสละลมังคนที่รักเป็นย่อมรักได้โดยไม่ให้เกิดทุกข์น้องหญิงเคยรักหรือ หมายถึงเคยรักใครคนใดคนหนึ่งมาบ้างหรือในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยเมื่อไม่เคยมาเลยทําไมเธอจึงจะรักให้เป็นได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เราน้องหญิงคนที่จับไฟนั้นจะจับเป็นหรือไม่เป็นจะรู้หรือไม่รู้ถ้าลงไปจับไฟด้วยมือแล้วย่อมร้อนเหมือนกันใช่ไหมใช่พระคุณเจ้า ความรักก็เหมือนการจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคืออย่จับไฟอย่าเล่นกับไฟทางที่จะปลอดภัยจากรักก็ฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวคืออย่ารักพระคุณเจ้าจะว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าหากรักจากพระคุณเจ้าไม่ได้เสียแล้วแม้พระคุณเจ้าจะไม่ปราณีข้าพเจ้าเยี่ยงคนรักก็ขอให้พระคุณเจ้ารับข้าพเจ้าไว้ในฐานะผู้สื่อสัตย์ ข้าพเจ้าจากปฏิบัติพระคุณเจ้าบำรุงพระคุณเจ้าเพื่อความสุขของท่านและของข้าพเจ้าด้วยน้องหญิงประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระาศาสดาและพระมรรจันต์หมดหัวใจแล้วไม่มีหัวใจไว้ให้รักอะไรอีกแม้เธอจะขอสมัครอยู่ในฐานะเป็นทาสก็ไม่ได้พระาศาสดาทรงห้ามม่ให้ภิกษุในาศาสนามีทาสไว้ใช้ยิ่งเธอเป็นทาสหญิงด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการผิดมากขึ้นแม้จะเป็นสิทธิปฏิบัติก็ไม่ควรจะไปที่ตำหนิของวินยูชนเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียอัตมาเห็นใจน้องหญิงแต่จะรับไวในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ได้ทางนั้นกลับเสเถิดน้องหญิงพระศาสดา ห, หรือพิสุสามเณรเห็นเข้าจะตำหนิอัตมาได้นี่ก็จวนจะถึงประคันตคุดีแล้วอย่าเข้ามานะพระอนนโยมือห้ามในขณะที่นางทาสีจะก้าวตามท่านเข้าไป พระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงเถียงกันระหว่างพระ อ, อ น, นุนกับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันตะกุฎีว่าอะไรการอ น, นุนผู้หญิงพระเจ้าข้าเขาจะตามข้าพระองค์เข้ามาอย่างวิหาร พศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีพระวาจาว่าอา น, นุนเรื่องราวเป็นมาอย่างไรทําไมเขาจึงตามถธอมาถึงที่นี่เมื่อพระอ น, นุนทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภระทนีเธอรักใครพอใจในพระอ น, น, นุนหรือพระเจ้าข่าเธอรักอะไรในพระอ น, น, นุน พระพุทธเจ้ารักในตาพระอนุลพรเจ้าข้าในตานั้นประกอบเพื่อโดยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเช็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอท่านแก่ลงก็จักฟ้าฟางคุณมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้เธอยังรักในตาของพระอนนต์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักหูของพระอนุลพระเจ้าข้าภระขนี หูนั่นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคบไข่อยู่เสมอพลันชลาลงก็หนวกจะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดหรืออาจไม่ได้ยินเลยดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือนางเอียงอายเล็กน้อยและตอบเลี่ยงต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์รักจมูกอันโด่งงามของพระอานน์พระเจ้าข่าภคินี จมูกนั้นประกอบขึ้นด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโสโครกที่มีกลิ่นเหม็นเป็นคนก่อนๆอย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางจะตอบเปลี่ยนไปอย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันศกปลกเปื่ยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าภระคินีเอ่ยอันร่างกายนี้ สะสมไว้แต่ของศพปรกโศโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวารทั้ง9้ามีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บมูดและกรีสอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งที่โโครกต่างๆไว้และซึมออกมาเสมอๆเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างทุกๆวันเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือ2วัน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 ก็หาพอใจยินดีไม่เพระาะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นมีสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจแม้พระาศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอนตลก็หาลดลงไม่บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่ฮาไทยของนางจะทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระาศาสดาตรัสก็ตามแต่มันก็น้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความสเสน่หาที่เธอมีต่อพระอนลเสียได้ เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิงไฟคือราคาในจิตใจของนางก็ฉันนั้นคุกรุนอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำชะไหนหนอจะสามารถอยู่ใกล้พระอนุลได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระาศาสดาและพระอนุลกลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอนุลด้วยความเสน่หาเนื่องจากว่ามาเสียเวลาในวัดเชตวันเสนาน นางจึงกลับไปถึงบ้านโจนค้านางรู้สึกตะขันตะคลอทั้งขายและใจเกรงว่าระหว่างที่นางหายไปนานนั้นนายอาจจะเรียกใช้เมื่อไม่พบนางคงจะถูกทําโทษอย่างหนักอย่างที่เคยถูกมาแล้วอนิจจาชีวิตทานเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่นางหายไปนั้นนายไม่ได้เรียกใช้ผิดจากวันคนก่อนโอพุทธานุภาพคืนนั้น นางนอนโกลนกระวายอยู่ตลอดคืนจะคมตาให้หลับสักเท่าใดก็หาสําเร็จไม่พอเคลิ้มเคลิมนางก็ต้องผวาตื่นด้วยภาพแห่งพระอานนุ์ปรากฏทางประสาทที่หคือมโนทวาร น, นางนอนภาวนาชื่อพระอานนุ์เหมือนนามเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธคุณก็คอยไหลวนเวียนเข้ามาสู่ความสํานึกอันลึกซึงนางคิดว่าภายใต้พุทธฉายาน่าจะมีความสงบเบย็นและบริสุทธิ์น่าพึงใจเป็นแน่แท้ แต่จะทำอย่างไรหนอจึงจะประสบความสงบเย็นเช่นนั้นเสียงไก่โห่อยู่ไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มสางลมเย็นตอนรุ่งอรุณพัดแผ่วเข้ามาทางช่องหน้าต่างนางสลัดผ้าห่มออกจากกายลุกขึ้นเพื่อเตรียมอาหารไว้สำหรับนายนางภาวนาอยู่ในใจว่าเชา้านี้ขอให้พระอนุนบินขบาทผ่านมาทางนี้เถิดแสงแดดในเวลาเช้าให้ความชุ่มชื่นพอสบาย นางเศรษฐุระอย่างอื่นแล้วออกมายืนเมา อ, อยู่หน้าบ้านมองไปเบื้องหน้าเห็นภิกษุณีรูปหนึ่งมีบาทในมือเดินผ่านบ้านของนางไปทันใดนั้นความคิดก็แวบเข้ามาทําให้นางดีใจจนเนื้อเต้นภิกษุณีโอภิกษุณีเราบวชเป็นภิกษุณีสิจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวันกับด้วยภิกษุณีทั้งหลายแต่คงมีโอกาสได้อยู่ใกล้แต่พบเห็นพระคุณเจ้าอันเป็นที่รักของเราเป็นแน่แท้ นางลานายไปเฝ้าพระศาสดาและทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วประทานอนุญาตให้อุปสมบทอยู่ณสำนักแห่งภิกษุณีในวัดเฉตะวัน ศึกษาเราเรียนท่องบุพระธรรมวินยัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีสำรวมอยู่ในศิกขาบทปาติโมกมีศิกขาและอาชีวะเสมอโดยภิกษุณีทั้งหลายเป็นที่รักใคร่ชอบพอของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้ที่สงเสงี่ยมเทียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วยถึงกระนั้นก็ตามเวลาบ่ายเมื่อนางได้เห็นพระอ น, นุขณะให้อวาาแก่ภิกษุณีบริษัท ความรัญจวนใจก็ยังเกิดขึ้นรบกวนนางอยู่มีเว้นวายจะพยายามข่มด้วยอสุภะกรรมฐานสักเท่าใดก็หาสงบราบคาบอย่างภิกษุณีอื่นๆไม่คราวหนึ่งนางได้ฟังโอวาทจากพระาศาสดาเรื่องทีเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าทีเลส ท, ทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมัน ให้รุ่มร้อนกระวนกระวายใจเหมือนไฟเผาท่อนไม้และแกลบให้แห้งเกลียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะกมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกปวดแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือนเรียกว่าได้ชักกายออกห่างจากกรมราคะ แต่ถ้าใจยังมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชใหม่คือเขาไม่สามารถจะทำที่สุดแทนทุกโดยชอบได้อุปมาเหมือนไม้สดที่ชุ่มดายางแม้จะวางอยู่บนบกบุคคลผู้ต้องการไฟก็ไม่อาจนำมาสีให้เกิดไฟได้เพราะฉะนั้นภิกษุภิกษุณีผู้ชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากความเลิ่เพลินหลงไหลเสีย ด, ด้วยนางได้ฟังพระพุทธภาสิตดิแล้ว ให้รู้สึกละอายใจตนเองสุดประมาณที่นางเข้ามาบวชก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อกาจัดทุกข์ให้สูญสิน้นหรือเพื่อทาลายกองตัญหาอะไรเลยแต่เพื่อให้ได้มาอยู่ใกล้คนอันเป็นที่รักคิดดูแล้วเหมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงมันมีโอกาสจะลุกเป็นกองไฟมาฮือมาขึ้นมาสักวันหนึ่งได้เมื่อปลาลุกดังนี้นางยิ่งโะวนกระวายใจมากขึ้นพระอานนฤก็ไม่เคยทักทายปลาัยเป็นส่วนตัวเลย การได้เห็นคนอันเป็นที่รักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กๆน้อยๆเกินไปเหมือนนำมาเทียบกับความทรมานในขณะที่ต้องจากอยู่โดดเดี่ยวและว้าเวกาสาวพัดเป็นกำแพงเหลืองมหึกมาที่คอยกันไม่ให้ความรักเดินถึงกันถึงกระนั้นก็ยังมีภิกษุและภิกษุณีบางท่านกระโดดข้ามกำแพงนี้ล่วงละเมิดสิขาบทวินัยของพระพุทธองค์จดได้นางคิดมาถึงเรื่องนี้แล้ว เสียวสลังวาบเหมือนถูกก้อนหิมะอันเยือกเย็นโดยไม่รู้สึกตัวมาก่อนนางพยายามสะกดใจไม่ให้คิดถึงพระอ น, นุนพยายามท่องบนสาทยายพระธรรมวินยัยแต่ทุกขณะจิตที่ว่างลงดวงใจของนางจะคล่ำครวนรำพันถึงพระอ น, นุนอีกนางรู้สึกบวชทิสะและวิงเวียนเพราะความคิดหมกมุ่นสับสนนี่เองกระมังที่พระอ น, นุนพูดไว้แต่แรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้าย วันหนึ่งนางชวนเพื่อนพิสุนีรูปหนึ่งไปหาพระอนตนลพระอนตลเป็นผู้มีอัธยาสายงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมนางรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างเหมือนเข้ากลาที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนที่ผิดฤ ด, ดูกาลหลั่งลงมาแต่เมื่อ น, นางจะลากลับนั่นเองพระอ น, นุลพูดว่าน้องหญิง ต่อไปเมื่อไม่มีธุระอะไรก็อย่ามาอีกถ้ามีความสงสัยเกี่ยวกับข้อธรรมวินัยอันใดก็ให้ถามเมื่ออาตมาไปสู่สํานักภิกษุณีเพื่อให้อวาดคืนนั้นนางนอนร้องไห้ตลอดคืนน้อยใจเสียใจและเจ็บใจตนเองพระอ น, นุณรือก็ช่างใจไม้ไทรละกามเต็มประดาจะเห็นแค่ความรักของเราบ้างก็ไม่มีนางยิ่งคิดยิ่งชำ้ำและน้อยใจ เพ็กซูนีผู้พักอยู่หน้าที่ไกลได้ยินเสียงสะอื้นในยามดึกจึงลุกขึ้นมาหาด้วยความเป็นห่วงถามนางว่าโกกีฬามีเรื่องอะไรหรืออ๋อไม่มีอะไรดอกสมิตราข้าพเจ้าฝันร้ายไปรู้สึกตกใจมากเลยร้องไห้ออกมาขอบใจมากที่ท่านเป็นห่วงข้าพเจ้านางตอบฝื้นสีหน้าให้ชุ่มชื่นขึ้น พระศาสดาสอนว่าให้เจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายท่านเจริญเมตตาหรือเปล่าก่อนนอนอะ่ะภิกษุณีสมิตราถามอย่างกันเองอืมเมื่อเจริญเมตตาแล้วจะไม่ฝันร้ายอย่างนั้นหรือใช่ก่อนนอนคืนนี้ข้าพเจ้าลืมไปท่านกลับไปนอนเถิดข้าพเจ้าขออภัยด้วยที่ร้องไห้ดังไปจนต้องทําให้ท่านตื่น เมื่อภิกษุณีสมิตรากลับไปแล้วภิกษุณีโกกิฬาก็คิดถึงชีวิตของตัวเมื่อก่อนบวชก็เป็นาธาตุทางกายพอปลีจากธาตุทางกายมาได้ก็มาตกเป็นาธาตุทางใจเข้าอีกแน่นอนทีเดียวผู้ใดตกอยู่ในความรักดวงใจของผู้นั้นย่อมเป็นาธาตุธาตุของความรักทาตรักนั้นจะไม่มีใครสามารถปลดปล่อยได้ นอกจากเจ้าของดวงใจจะปลดปล่อยเองในที่สุดไม่เห็นว่าจะสะกดใจไว้ไปอยู่ได้แล้วนางจึงตัดสินใจลาพระาศาสดาลาพระ อ, อนตนลและเพื่อนภิกษุณีอื่นๆจากวัดเชตะวันเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเมืองโคสัมพีโดยคิดว่าการอยู่ห่างอาจจะเป็นยารักษาโรครักได้บางกระมัง นางได้จากว่าเชตวันด้วยความอลาลัยอาวรณ์เป็นที่ยิ่งอุปมาเหมือนกับมารดาที่จำใจต้องจากบุตรสุดที่รักของตัวฉันใดก็ฉะนั้นนางอยู่จำพรรษานโคสิตารามซึ่งโคสิตมหาเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธองค์สามเดือนที่อยู่ห่างพระ อ, อ น, นุ์ดวงจิตของนางก็พองแพ้วแจ่มใสขึ้นบ้าง การท่องบนสาธยายและการบำเพ็ญสมณธรรมก็ดีขึ้นตามไปด้วยนางคิดว่าคราวนี้คงจะตัดอะไรในพระอานนท์ได้เป็นแน่แท้แต่ว่าความรักนั้นจอมีวงจรของมันจนกว่าว่ารักนั้นจะสิ้นสุดลงชีวิตก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอเมื่อใครคนหนึ่งพยายามดิ้นรนจะหารักเขาก็มักจะไม่สมปรารถนา แต่พอว่าเขาทำท่าจะหนีความรักก็ตามมาความรักจึงมีลักษณะคล้ายกับเงาเมื่อบุคคลวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่เมื่อเขาวิ่งหนีมันจะวิ่งตามโดยกฎอันนี้กระมังเมื่อนางหนีรักออกจากเชตวันมาสงบอยู่ณกรุงโกสัมพีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วข่าวการเสด็จสู่กรุงโกสัมพีของพระผู้มีพระภาค ก็แพร่สะบัดมาเป็นการแน่นอนว่าพระอนุนจะต้องตามเสด็จมาด้วยชาวโกสัมพีได้ทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสภิกษุสงฆ์ต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะเตรียมพระคันธกุฎีที่ประทับของพระศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระไทยในทางธรรมนักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทไมได้เพราะถือกันว่า พระศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมจะนําความสงบสุขและความเป็นมงคลไปสู่ที่นั้นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระศาสดามีอยู่ทุกหัวระแหงแห่งกรุงโกสัมพีศาสดาคณาจารย์เจ้าละทิต่างๆก็เตรียมผูกปัญหาเพื่อทูลถามบางท่านก็เตรียมถามเพื่อให้พระศาสดาจนในปัญหาของตนบางท่าน ก็เตรียมถามเพื่อความรู้ความเข้าใจจริงและบางท่านก็เตรียมถามเพียงเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็นเท่านั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ปีติปราโมชเป็นอันมากเพราะการเสด็จมาของพระาศาสดาย่อมหมายถึงการได้ยินได้ฟังวัทธุรภาสิตจากพระพุทธองค์ด้วยและบางท่านอา จ, จได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพราะพระธรรมเทศนานั้น ใครจะทราบบ้างละว่าดวงใจของโกกีลาภิกษุณีจะเป็นประการใดเมื่อบ่ายวันหนึ่งเพื่อนภิกษุณีนำข่าวมาบอกนางว่านี่โกกีลาท่านทราบไหมว่าพระาศาสดาจะเสด็จมาเร็วนี้อย่างนั้นหรือเสด็จมาองค์เดียวหรืออย่างไรไม่องค์เดียวดอกใครๆก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วย หรืออาจจะมาสมทบทีหลังก็ได้แต่ที่ท่านจะต้องตามเสด็จแน่นอนก็คือพระอนนุ์พุท ธ, ธานุชาพระอนุนทำไมเลโกกีลาดูท่าทางท่านตื่นเต้นเหลือเกินเปล่าดอกข้าพเจ้าดีใจที่จะได้เฝ้าพระาศาสดาและฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ดีใจจนควบคุมตัวไม่ได้นางได้ตอบ เ, เลียง ใครๆคก็ดีใจกัทนนและโกกีลาคราวนี้เราจะได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึ้งและได้ฟังบทุรภาษิทธ์ของพระมหาเถระเช่นพระสารีบุตรพระมหากัสปะหรือพระอนนุ์เป็นต้นภิกษุณีรูปนั้นกล่าวและวันที่รอคอยก็มาถึงพระาศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันตสาวกหมู่ใหญ่แวดล้อมสเสด็จถึงกรุงโกสัมพี พระราชาธิบดีอุเทนและเสนาาอ h a r a j ตลอดพ่อค้าประชาชนและสมณพราหมนาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งก่อนถึงซุ้มประตูโคสิตารามประมาณขึงโยช์มีประชาชนจำนวนแสนคอยรับเสด็จมักคาดารด า, ดาดไปด้วยกลีบดอกไม้น า, นานาพันหลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยปลายเพื่อเป็นพุทธบูชา ในบริเวณอารามก่อนสเสด็จถึงพระคันทกุดีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับสเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปีติปราโมทถวายบังคมพระาศาสดาด้วยความเคารพอันสูงสุดพระอานน์ตามสเสด็จพระพุทธองค์ด้วยกิริยาที่งดงามมองดูน่าเลื่อมใสทุกคนต่างชื่นชมพระาศาสดาและพระอ น, นุ์ และผู้ที่ชื่นชมในพระอานนต์เป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกีลาภิกษุณีนั่นเอง ซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลาถึงสามเดือนแล้วที่นางไม่ได้เห็นพระอนุลเลยความรักที่ทําท่าว่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนตินาชาที่ถูกรีบร้อนนเบื้องปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแพขยายโตกว่าฉะนั้น นางรีบกลับสู่ห้องนอนของตนบนัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนพนเรออีกแล้วจริงทีเดียวในจักรวาล น, นี้ไม่มีไฟอะไรที่จะร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษ์เหล่านั้นทําอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่ง และเพราะความเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึง่งประการแรกแม้จะทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไรนักแต่ว่าสิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าหากว่าไม่สำเร็จหรือว่าไม่สามารถสนองได้หัวใจจะต้องร่าร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือว่ามนุษย์ผู้นั้น ตายจากไป